คนจีนหรือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ว่าทําบุญไหว้เจ้าหรือว่าทําบุญลําลึกถึงบุพการีนี้คือลักษณะอย่างนั้นละ่ะพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้ลัหายตายจากไปอย่างมีที่ดินที่ดอนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพที่บ้านที่พักพ้าอาศัย เรื่องต่างๆที่ท่านได้ส่อแสวงหามาให้เราแต่บัดนี้เราได้เป็นทายาทของท่านได้ทามาค้าขายตามที่ชั้นได้ทรมาก่อนพวกเราก็ได้เดินตามหรือว่าผู้เป็นชาวไร่ชาวนาก็ได้ที่ดินจากพ่อแม่มาปู่ย่าตายายมาแล้วก็ทามาหาเลี้ยงชีพครอบครัวของเราแต่มาถึงวันนี้เออ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 ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปแล้วเป็นเปรตเน่เพราะว่าทำกรรมไม่ดีในก่อนหน้านั้นตอนชาติก่อนนั้นต่อไาก็ตกนรกออกจากนรกก็เป็นเปรตเป็นกลุ่มจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดป่าเวลุวันไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมโคตมะมของพวกเรา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 แล้วก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้อันนีค้คือเป็นประเพณีทางโบราณเขาถือมาตั้งแต่ดึกตำบัรน์แต่เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อก็ปาลบถึงเรื่องเปรตอีกเหมือนกันนะ เ, เรื่องเปรตที่พระพุทธเจ้าพระโมคคลาท่านเห็ น, ท, น, หนท่านเห็นเปรตที่ตีนเขากิจจกุในกรุงราชาคื อ, อพระโมคคลาเห็นท่านก็ยิ้ม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 ตอนีพระประเจกท่านก็เห็นว่าหมาะท่านก็ชาวบ้านเขาก็มาสร้างสาราเล็กๆกระต๊อบเล็กๆสำหรับถวายพระประเจกพุทธเจ้าองค์เดียวจากนั้นตอนเช้าพระประเจกก็บินธบัติก็ข้ามท้องนา เ, อาเล็กๆท้องนาแล้วก็ไปบินธบัติแล้วก็กลับมาข้ามท้องนามามาพักที่พักในพรรษาแต่นดี้พวกชาวบ้านเขาก็เดินตามพระปฏเจกมาทาบุญ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 แต่ในชาวนาของอย่างที่ว่าเนี่ยนะ่ะโมโหอย่างที่ว่าเนะี่ยมันไม่รู้จะทํำยังไงจากนั้นก็เนี่ยนะเอาขี้ใส่ใบบอนนละหอเสร็จแล้วก็มาเทราดเสร็จคันนาแล้วก็หาไม้เขี่ยไปเขี่ยมาไอ้ตรงที่พระบินทบาทกับชาวบ้านไปจังหันเนะ่ยโอ้เลอะไปหมดเลยทีเดียเวลาฝนตกพอลินลินเนะนี่แหละอันนี้ชาวบ้านเขาก็พูดกันไม่รู้จักจบ ลงพ่อเป็นพระน้อยเดีนน้อยก็โอ้บาปกรรมแท้ๆนะี่เป็นบาปกรรมแท้ๆทําอย่างนั้นพอได้ลูกออกมาเนี่ยเป็นบ้าก็มีเป็นบ้าแล้วก็ตาบอดเป็นเกิกเป็นใบเอเป็นบ้าเป็นบอดเออลูกหลานเนี่ยมันบาปกรรมแต่พวกเราถามว่าทำไมพ่อก็ทําอย่างเดียวเขาทาไมจึงได้รับกรรมอย่างนั้น